บทภาชนีติกะนิสักียปาจิตตรี่สิบห้เครือข่ายที่ไม่ใช่ญาติภิกษุสำคัญว่าไม่ใช่ญาติขอจีวรเกินกำหนดต้องอบัตตินิสักียาปาจิตตีเครือข่ายที่ไม่ใช่ญาติภิกษุไม่แน่ใจขอจีวรเกินกำหนดต้องอบัตินิสักียปาจิตตีครือข่ายที่ไม่ใช่ญาติภิกษุสำคัญว่าเป็นญาติขอจีวรเกินกำหนดต้องอบัตินิสักียปาจิตตีกะทุกกฎเครือข่ายที่เป็นญาติ ภิกษุสำคัญว่าไม่ใช่ญาติขอจีวรเกินกําหนดต้องอบัตทุกกฎเครื่อหัดที่เป็นญาติภิกษุไม่แน่ใจขอจีวรเกินกําหนดต้องอบัตทุกกฎเครื่อหัดที่เป็นญาติภิกษุสําคัญว่าเป็นญาติขอจีวรเกินกําหนดไม่ต้องอบัต